เหมือนคนกำลังจะจมน้ำรมร่เมื่อขอนไม้ลอยมาก็ต้องคว้าไว้ก่อนในขอนไม้จะมีหมามุ่ยหรืองูพิษอยู่หรือเปล่าก็ช่างเถอะฉันฟังแล้วเครียดเกินกว่าจะตั้งสติทันเพราะน้าเสียงเธอเจอแวลเศร้าน่าสงสารได้แต่ด่าตัวเองว่าไม่ควรเลยหากคืนที่เธอโทรมาชวนทานข้าวฉันพิงปฏิเสธอย่างนิ่มนวลด้วยเหตุผลดีดๆก็คงไม่มีเรื่องน่าอึดอัดกัน